แดนนรกคุมแรกที่พระมาลัยได้ไปพบนั้นก็เป็นแดนนรกที่มีภูเขายน์อยู่สองลูกภูเขาสองลูกนี้มีเครื่องกลไกอยู่ภายในเคลื่อนที่กระทบกันอยู่ตลอดเวลาก็มาได้กระทบกันอย่างเปล่าๆในระหว่างกลางของภูเขานั้นก็ยังมีสัตว์นรกมากมายมหาศาล ที่คอยถูกภูเขาโยนต์นี้บดขยี้ให้แหลกรานไปคล้ายๆกับดังหีบอ้อยที่บีบอ้อยแล้วมีน้ำอ้อยนั้นไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายสัตว์รกตัวแล้วตัวเล่าที่ผู้คุมจับโยนลงไปในระหว่างกลางของภูเขาเศษเนื้อเศษเลือดและอะไรต่างๆมากมาย ดูคล้ายกับเนื้อที่ปั่นอยู่ในเครื่องปั่นเนื้อนั้นทีนี้เรียกว่ายันตรป ร, ระสาดรกพระคุณเจ้าเป็ น, นรกที่ดูแล้วน่าสมเพศ เ, เวทนาเป็นอย่างยิ่งเออนี่เป็นเพียงรกคุมย่อยๆเท่านั้นนะพระคุณเจ้าเอ้ย ขอท่านจงชมดูเถิดนี่เป็นขุมนรกเล็กๆเท่านั้นหรือทํำไมดูน่ากลัวอะไรจะขนาดนี้กรำเล็กๆน้อยๆเท่านั้นหรือและเป็นกรรมประเภทไหนล่ะสัตว์ตวที่ตกอยู่ในนร ก, นรกขุมนี้ด้วยเครื่องทรมานต่างๆบ า, างที่ได้เห็นก็เพราะว่าเขานั้นได้เคยจับสัตว์ ใส่เครื่องบททั้งทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละเออคนบางคนเห็นสัตว์อื่นเป็นของเล่นไปทําการซ้อมทรมานสัตว์ต่างๆจนกว่ามันจะถึงแก่ความตายเฮก็ยังมีอยู่เหมือนกันที่คนบางคนทรมานคนด้วยกันเองเขาก็ตกตรอกข่มนี้นานมากกว่าใครเพื่อนนั่นแหละ และบางพวกก็เด็กเคยทุบตีภรรยาสามีของตนเองหรือไม่ก็ทะเลาะกับคนอื่นแล้วประทุษร้ายตีกายต่างๆนานานับว่าเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างน่าอดสูนักขอพระคุณเจ้าโปรดนำเรื่องราวนี้ไปแจ้งกล่าวแก่ในเมืองมนุษย์ด้วยเถิด รู้สึกว่าน่าสลดอดสูนักน่าสงสารจริงๆพวกเขาไม่น่าหลงทำกรรมด้วยประการรชนีเลยอาตมารู้สึกว่าสัตว์เหล่านี้เป็นผู้ที่น่าสงสารมากโยมพอจะช่วยอะไรบ้างได้ไหมเล่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้ า, จาก็ก เ, เคยบอกพระคุณเจ้าแล้วไม่ใช่<อ>หรือว่าข้าพเจ้า ไม่อาจาจะช่วยอะไรเขาได้มากไปกว่าที่ขบเจ้าได้กล่าวเอาไว้แล้วเลยทางนี้ก็ประวัติกรรมของเขานั่นแหละขบเจ้าก็จนใจจริงๆบุคคลใดทากรรมใดไว้บุคคลนั้นย่อมได้รับผลของกรรมนั้นแล้วการตกนรกในคุ่มนี้นานสักแค่ไหนละ่ะ ท่านพอจะบอกกล่าวได้ไหมอ๋อจะนานมากน้อยแค่ไห น, นก็สุดแท้ตกรรมของเขาอีกนั่นแหละข้าพเจ้าไม่สามารถจะไปกำหนดว่าใครจะตกตลกผมนี้นานสักเท่าใดกรรมที่บุคคลทำไว้เองนั่นแหละจะเป็นผู้กำหนดเอง แล้วท่านพญายมราชก็ได้เชิญพระมาลัยไปดูนรกคุมอื่นๆอีกต่อไปเมื่อเดินทางมาสักครู่หนึ่งก็มาถึงประตูบ้านใหญ่ซึ่งปิดสนิทอยู่ตรงกลางกำแพงเหล็กมือมาที่ล้อมรอบบริเวณภายในประตูนั้นปิดอย่างมิดชิดและมั่นคงแข็งแรงทั้งสี่ด้านท้าพญายมราชก็ได้ยกกำปั้นอันใหญ่ของท่านเคาะประตู สองข้างนั้นและแล้วประตูก็เผย อ, ออกมาทันทีที่ยมบาลก้าวนำเข้าไปปีศาร่างผอมกร่องกล่อ ง, องผิวดำสนิทราวกับฐานซึ่งอยู่เฝ้าภายในประตูก็ขุดลุกขึ้นแสดงความเคารพต่อเท้าพญายมราชอย่างรวดเร็ว เท้าพญายมราชได้พาพระมาลัยเดินเข้าไปข้างในครู่หนึ่งก็มาพบสระน้ำใสยเย็นขณะนั้นนายเนยรยบาลก็ได้จับสัตว์นรกโยนลงกลางสระน้ำอย่างไม่ปราณีปลาัยสัตว์นรกนั้นก็ได้ตะร้องโอดโอยขอความช่วยเหลือครั้นแล้วร่างของมันเมื่อจมลงไปในน้ำก็เงียบหายไป สักครู่หนึ่งร่างของมันก็ลอยขึ้นเอื้อยอยู่บนผิวน้ำอย่างไร้ชีวิตจิตใจมิใช่เพียงเท่านั้นก็ยังมีสัตว์นรกอีกมากมายถูกจับโยนลงในสระน้ำแล้วกระดับดิ้นสิ้นใจพาร่างขึ้นมาเหนือน้ำเช่นเดียวกันมากมายมหาศาลทีนี้เรียกว่า สตตาโลสิตานรกตระกุลเจ้าเออมันหมายถึงนรกที่มีน้ำเย็นเย็นเ ย, ยือกที่สุดหาที่ใดเปรียบได้เลยเออสัตว์รกที่ถูกจับโยนลงในน้ำเย็นนี้ก็จะเย็นจนตายแล้วอกุศลกรรมที่เขาได้เคยทำมานั้นก็จะทำให้เขากลับฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วลานขึ้นมาข้างบน แล้วก็ถู ก, ถกจับโยนลงใน <ไป S 2> น้ำเย็นนี้ อ, อีกพระคุณเจ้าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละพวกเขาทำกรรมอะไรมาดอกเลือถึงได้มารับผลกรรมในที่นี้เล่าอ้ดูแล้วน่ากลัวจริงๆดูสิจนซีดหมดแล้วแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาใหม่ถูกนายนิรยาบาลจับโยนลงไปน้ำเย็นอีก โอ้ช่างน่าทรมานจริงๆเอสัตว์พวกนี้เมื่อชาติก่อนชอบปลักคนหรือสัตว์ให้ตกน้ำตายบางคนก็จับสัตว์ทวงน้ำจับคนทวงน้ำก็มีเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานหรือว่าไม่ได้สนใจว่าคนอื่นนั้นจมน้ำตายแล้วจะเป็นอย่างไร ท้าพญายมราชก็ได้พาพระเถระมายังขุมนรกอีกขุมหนึ่งเห็นเป็นประตูเหล็กใหญ่มื่อมาเช็คเช่นเดียวกับขุมนรกสักครู่นี้ประตูก็ปิดสนิทอยู่ตรงกลาง ร, รายร้อมเป็นกำแพงไว้สี่ด้านเมื่อประตูเปิดอ้าออกเจ้าแห่งนรกก็พาพระเถระ เดินผ่านประตูเหล็กเข้าไปข้างในเห็นสนามหญ้าเขียวขจีมีลานกว้างใหญ่แล้วก็มีสระน้ำเชกเช่นเดียวกับนรกที่ผ่านมาสักครู่นี้แต่ว่ามีดอกบัวชูสวยัยมีฝูงปลาตัวน้อยใหญ่แวกว่าอยู่น่ารื่นงรมและสมควรที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากกว่าจะเป็นขุมนรกดูเหมือนจะไม่ช้าเท่าใดนัก ที่พระมาลัยทุกพามายืนอยู่ที่ริมสระน้ํานั้นครู่หนึ่งก็มีสัตว์นรกรูปร่างผอมโซเหลือแต่กระดูกรากระปดอยากมานานปีต่างก็วิ่งกรูเข้ามายังห้องขังใหญ่ที่มุมสนามด้านโน้นครั้นมาถึงสระน้ําต่างก็แย่งกันกระโจนลงกินน้ําอย่างเหมือนกับว่าหิวน้ํามานับล้านปี เมื่อพวกสัตว์นรกได้ดื่มน้ำจนอิ่มแปร่แล้วแล้วก็พาขึ้นมาจากสะมานอนแผ่ลาอยู่บนสนามหญ้ารอบๆสะนั้นครู่หนึ่งสัตว์นรกเหล่านั้นก็ร้องโอดโอยเอามือกลุ่มทองไว้รู้สึกว่าสัตว์นรกก็เริ่มร้องขึ้นทีตะตนสองตนจนระ ง, งมไปทั่วพร้อมกับได้เกลือกลิ้งอยู่บนพื้นหญ้าอย่างน่าเวทนา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 ก็ได้แต่เวทนาสงสารไดเท่านั้นแหละข อ, อนิมนท่านพระคุณเจ้าไปชมนรกรคุมอื่นต่อไปเถอะครับสักครู่ใหญ่ก็ได้พาพระเถระมาถึงแดนนรกอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ถัดไปอีกไม่ถึงยี่สิบเก้า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 พระคุณเจ้าขอรับย่าเพิ่งคิดว่าที่นี่เออจะเป็นลานกว้างเอาไว้เป็นที่สนุกสนานเอ่อเป็นที่บันเทิงในการเล่นกีฬาในการเต้น ร, รําประการใดเลยหากพระคุณเจ้าลองมองไปที่มุมสุดเบื้องหน้าก็จะเห็นมีลูกหินใหญ่มหฮือมาเท่าภูเขาลูกหนึ่งลุกเป็นเปลวไฟตั้งทำงานอยู่ทางนู้นโน่นครับ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 สัตว์นรกต่างๆมากมายถูกก้อนหินลุกเป็นเปลวไฟบดขยี้ร่างกายมีหนามซ้ำแล้วต่างก็ยังถูกผู้คุมเอาแสอลัยตีกระนำบนแผ่นหลังให้เลือดไหลาอาบซิบๆเสียงทรมานได้ร้องระ ง, งมไปทุ่นรกแห่งนั้นเหล่าสัตว์นรกทั้งหลายต่างวิ่งทยอยล้มลุกคลุกคลานแล้วก็กระเสือกกระสน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 นรกบางพวกเมื่อตายแล้วก็ได้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็วิ่งบนฟลอร์ลานกว้างแห่งนี้อยู่ร่ําไปถูกแทรกเขี้ยนตีแผ่นหลังแล้วก็วิ่งวนอยู่ณลานกว้างแห่งนั้นอยู่ตลอดเปลวไฟแห่งก้อนหินนั้นกบฏขยี้สัตว์ต่างต่างเหล่านั้นไม่รู้จักจบสิ้นจนกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะหมดกรรมไป ทีนี้เรียกว่าปิสกะบัพพะตานรกพระคุณเจ้าก็เป็นนรกสำหรับทรมานสัตว์ต่างๆที่ได้เคยทำกรรมมาก็คือพวกนี้เขาชอบทรมานสัตว์ทั้งหลายอย่างสนุกมือนั่นแหละบางพวกเป็นข้าราชการมีอำนาจใช้อำนาจ<บ>ากดขี่ผมเหงช่อราชบ<า>ังหลวงทำร้ายเอ า, าทรัพย์สินของประชาชน นำไปใช้ส่วนตัวผลกรรมของเขานี่นแหละจะต้องมาดารับทุกประมานในนรกขุมนี้เออพระคุณเจ้าเห็นแล้วรู้รสึกเป็นอย่างไรนะครับอาตมาเห็นแล้วก็น่าสะสสังเวชก็เหมือนกับสัตว์ที่ถูกบทขี้เป็นๆลำไส้มันสมองบีแบนไปหมดเลือดอาไปทั่วลานกว้างเหล่านั้น จากน้ำเลือดสีแดงกลับกลายเป็นน้ำเลือดสีแดงคล้ำดำไปหมดโอ้อัตมารู้สึกเศร้าสลดจริงๆจะได้นำเรื่องแบบนี้นามาบอกกล่าวในเมืองมนุษย์ให้ชนทั้งหลายนั้นเกรงกลัวต่อบาปกรรมและพยาย ม, มาบาลก็ได้พาพระเถระเดินออกจากที่นั้น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 อาหารต่างๆเหล่านั้นส่งกลิ่นหอมฟุง้งแล้วก็มีความกว้างขวางและโอโทงของมันซึ่งอาหารเหล่านี้จัดไว้สำหรับใครก็ไม่สามารถจะเดาให้ได้ถูกและชั่วขณะนั้นพระเถระก็ได้เห็นสัตว์นรกต่างๆซึ่งมีรูปร่างผอมโซจานวนมากมายวิ่งกลูเข้ามาในศาลาแห่งนั้นโดยไม่ทราบว่ามาจากทิศทางใด สัตว์รกต่างๆเหล่านี้ต่างก็เข้ามายื้อแย่งอาหารซึ่งกันและกันโดยปราศจากความเกรงอกเกรงใจทใดทั้งสิ้นการแข่งแย่งอยู่อย่างนั้นทำให้ผู้คุมได้โมโหโธโสเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้จับสัตว์รกที่ได้แย่งกันกินนั้น มาทำโทษ ต, ต่างๆนานามีการใช้แส้ขวดลงไปบ้างใช้ค้อนทุบ ก, กระบาลบ้างเลือดไหลอาบเยิ้มต่างๆนานาส่งเสียงหน้าเวทนาเป็นอย่างยิ่งสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะอดอาหารมานานนับเวลาไม่ได้เมื่อได้เห็นอาหารอันโอชะ